วันนี้ตอนเช้าทางวิญญาณสังวรลาลามได้จัดพิธีทาบุญตักบาตรเทโวการตักบาตรเทโวนี้เป็นการย้อนอดีตลามลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จจากสวรรค์ลงมาหลังจากที่ได้ประทับอยู่สามเดือนด้วยกันความจริงแล้ว พระพุทธเจ้านั้นคือพระเซลีละร่างกายของพระ อ, องค์นั้นไม่ได้ไปสวรรค์ก็อยู่จำพรรษาอยู่ในโลกนี้แต่ตอนค่ำคืนทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาการผ่านทางกระแสจิตจิตของพระพุทธเจ้านี้นมีพลังที่สามารถที่จะติดต่อกับ เทวดาทั้งหลายได้ทรงสแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาที่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาหลังจากที่ได้สเสด็จสวรรคตเจ็ดวันหลังจากที่ได้ประสูติพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ถึงแก่กรรมก็สเสด็จสวรรคตไป พอพระพุทธเจ้าได้ตัดสัตวก็ทรงมีพลังจิตที่สามารถที่จะติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ก็เลยสามารถติดต่อกับพุทธมารดาจึงได้แสดงธรรมให้แก่พุทธมารดาและบรรดาเทวดาทั้งหลายเป็นกิจวัตรประจํา กิ จ, จวัตรของพระพุทธเจ้านี้หนึ่งใน5กิ จ, จวัตรด้วยกันก็คือการแสดงธรรมให้กับเทวดากิ จ, จวัตรห้าที่เรียกว่าพุทธกิจห้านี้มีอะไรบ้างก็หนึ่งตอนบ่ายอย่างวันตอนนี้ก็จะแสดงธรรมให้กับสัตยาติโยมพอตอนค่าก็จะแสดงธรรมให้กับภิกษุสามนเณรตอนดึก ก็ทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาหลังจากนั้นก็ทรงพักเริยบวุพอตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินตาบาโปวดสัตว์ก็ทรงเล็งยานดูว่าวันนี้ควรจะไปโปรดบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ทรงออกบินตบาทนี่คือพุทธกิจห้า ที่พระพุทธเจ้าได้สรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องเป็นการตรวจสัตว์เป็นการเผยแผ่ธรรมะคำสอนที่ประเสริฐเลิศโลกที่จะยังสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างพุทธมารดาหลังจากที่ได้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่หนึ่งพันษา ก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้การเป็นพระโสดาบันก็จะทําให้เห็นความจริงเห็นความจริงว่าจิตนี้เป็นของไม่ตายจิตนี้เป็นผู้สร้างสร้างบุญสร้างบา แล้วก็จิตนี้เป็นผู้ที่จะต้องรับผลบุญผลบาปที่จะตามมาต่อไปถ้าทำบาปก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นสัตว์น ร, รกบ้างถ้าทำบุญก็จะไปเกิดบสนสวรบ้างเป็นมนุษย์บ้าง ถ้าได้บำเพ็ญพจิตภาวนาทำจิตให้สงบ ก, ก็จะได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าได้เจริญวิปัสสนาได้เจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆตามลำดับ รอบต่างแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ายพระสโสดาบันก็หลุดพ้นจากความความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายพระสกิดากามีก็ทําให้ความทุกข์ที่เกิดจากการมีกามารมณ์น้อยลงไปเบาบางลงไปพระอนาคามีก็จะหลุดพ้นจากความทุก ที่เกิดจากการมลุ่มเพราะจะมีปัญญาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายที่จะทําให้ไม่เกิดการมลุ่มขึ้นมาหรือเวลาเกิดการมลุ่มก็สามารถดับการมลุ่มนั้นได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานเหมือนกับผู้ที่ยังไม่มีปัญญายังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย เวลาเกิดการมลลมแล้วจะเกิดความรู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาว่าเวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายต้องหาคู่มาร่วมหลับนอนถึงจะทำให้ความว้าวเวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนั้นหายไปได้แต่เป็นการหายเพียงชั่วคราวเพราะหลังจากนั้นไม่นานการมาลมก็จะเกิดขึ้นใหม่ ก็จะต้องหาหาคู่ครองมาแก้เหงาอีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาใดที่เกิดการอารมณ์แล้วไม่สามารถหาคู่ครองมาแก้เหงาได้เวลานั้นก็จะมีความเศรา้าส้อยเหงาเหงาว่าเวเดียวดายมีความรู้สึกไม่อยากจะอยู่ไปในโลกนี้เลย แต่ถ้าได้เจริญอาสุภาอยู่เรื่อยๆพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดการบัลลมพอนึกถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายการมัลลมนั้นก็ดับไปความทุกขที่เกิดจากการบัลลมก็จะหายไปก็จะอยู่ตามปกติได้อยู่ตามลำพังได้ ไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยานี่ก็เป็นความทุกข์ขั้นที่สามส่วนความความทุกข์ที่ขั้นที่สี่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการถือเนื้อถือตัวอัตตาตัวตนถือว่าตนใหญ่กว่าเขาบ้างเท่าเขาบ้างเล็กกว่าเขาบ้าง ความรู้สึกเหล่านี้จะไม่มีในใจของพระอาหารหัรพระอราหาัรนี้จะรู้ทันความคิดว่าความคิดว่ามีตัวมีตนว่าเป็นเพียงความคิดไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วจิตไม่ใช่ตัวตนจิตเป็นเพียงตัวรู้หรือผู้รู้เท่านั้นมีหน้าที่คือสักแต่วรู้เห็นอะไรก็รู้ใครก็จะ ยกย่องสรรเสริญก็รู้ใครเขาจะดูถูกเหยียดหยามก็รู้แต่จะไม่มีตัวตนออกไปรับว่าเขาดูถูกเราเขากันแกล้งเราเพียงแต่เป็นผู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้การที่จะทำใจให้เป็นสักแต่ว่ารู้ได้ก็ต้องฝึกทาสมาธิให้มากๆทำใจให้รวมลงเป็น อ, อุเบกขารวมลงเป็นหนึ่ง เป็นเอกขตารมศัพตวาวรูอันนี้แหละเป็นสถานภาพที่แท้จริงของจิตก็คือผู้รู้เฉยๆตอนที่จิตสงบนั้นผู้ที่ปรุงแต่งว่ามีตัวมีตนนั้นสงบตัวลงไปคือสังขารความคิดปรุงแต่งเวลาจิตสงบแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะไม่ได้คิดว่า นี่คือตัวเรานี่คือของเราจะมีแต่ตัวรู้รู้อยู่เฉยๆเท่านั้นตัวรู้นี้จะไม่เดือดร้อนเวลาที่สัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะดีหรือชั่วจะรู้สึกเฉยๆเป็นอุบเบกขาวิธีที่จะรักษาความเป็นอุบเบกขาของตัวรู้นี้ได้เวลาออกจากสมาธิมาแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้คอยสอนคอยสอนคอยเตือนใจว่าเราเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นเราเป็นเหมือนคนดูภาพยนตร์เ อ, อร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวละครอยู่บนจอภาพยนตร์เราอย่าไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราเราเพียงแต่เป็นผู้มาดูร่างกายนี้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เ อ, อกําลังรับ ผลดีเลื่รับผลชั่วอยู่เวลาร่างกายมีความสุขก็รู้ว่าร่างกายมีความสุขเวลาร่างกายมีความทุกข์ก็ให้รู้ว่ามีความทุกข์เวลาร่างกายเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้รับรู้ไปถ้าช่วยเหลือร่างกายให้พ้นจากทุกข์จากภัยได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไป ตามความจริงของร่างกายคือไม่ว่าจะทําอย่างไรดีขนาดไหนต่อร่างกายก็ไม่หนีพ้นจากความแก่ของร่างกายความเจ็บของร่างกายความตายของร่างกายได้แต่ใจผู้รู้ด้วยปัญญาจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวละครส่วนใจนี้เป็นเหมือนตัวดูละครผู้ดูละคร ผู้ดูละครกับผู้เล่นละครนี้เป็นคนละตัวกันผู้เล่นก็ปล่อยเขาเล่นไปเขาจะเล่นบทอะไรก็ต้องเป็นไปตามผู้กำกับของผู้เล่นผู้กำกับของผู้เล่นก็คือบุญกรรมนี่เองที่ทําให้ร่างกายนี่จเจริญบ้างเสื่อมบ้างได้รับการพัฒนาบ้างได้รับการาถดถอยบ้าง คือชีวิตของร่างกายเจริญราบยศสรรเสริญบ้างเสื่อมราบยศสรรเสริญบ้างอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายเขาใจก็เป็นเพียงแต่ผู้รู้เท่านั้นก็จะไม่เดือดร้อนกับการเจริญด้วยกับการเสรื่อมของร่างกายของส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายคือราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ นี่คือใจของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่รู้ความจริงรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันรู้ว่าร่างกายนี้เป็นดินน้ำทำมาจากดินน้ำลมไฟมีอาการสาสองเป็นที่เปาะเป็นส่วนประกอบมีฐานะคือความแก่ความจุดความตายแล้วก็มีการ จเจริญราบยศสารเสิญเจริญ ร, รูปเสียงเกิดลดปทธภะและก็มีการเสื่อมของราบยศสารเสริญของรูปเสียงเกิดลดปทธภะเวลาร่างกายจเจริญด้วยราบยศสารเสิญเจริญด้วยความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายใจก็ไม่ได้ตื่นเต้นดีออกดีใจาะไม่ได ใจไม่ได้เป็นผู้เจริญไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเจริญนี้แต่อย่างใดเวลาร่างกายเสื่อมจากราบยศสารแสนเสื่อมจากตาหูจมูกนิ่งกายไปใจก็ไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกายแต่อย่างใดใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เหมือนกับคนที่ไปดูภาพยนตร์ไปดูละครเวลาเข้าไปในโรงละครเวลาออกมาก็เท่าเดิม ไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนเข้าไปในโรงละครแล้วเวลาออกมาไม่ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีตามตัวตัวละครหรือไม่ได้ออกมาตายเหมือนกับตัวละครคนดูก็ยังเป็นเหมือนคนดูอยู่เหมือนเดิมแขนใดร่างกายนี้ก็เป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งส่วนใจนี้ก็เป็นพวกมาดูละคร คือมาดูร่างกายนี้แสดงละครบทต่างๆเท่านั้นเองถ้าเข้าใจหลักอย่างนี้แล้วใจก็จะไม่หลงใจจะไม่ยึดติดใจจะไม่ทุกข์เวลาที่สิ่งต่างๆเสื่อยไปหมดไปเวลาร่างกายแก่ไปเจ็บไปตายไปนี่ก็เป็นเพราะได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้า ความจริงนี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นศาสนาทุกศาสนานี้รู้เพียงแต่ระดับขั้นสมาธิคือการทําใจให้สงบการรักษาศีลการทําบุญให้ทานรู้สึกว่าทุกศาสนาจะสอนเหมือนกันหมดสอนให้ทําบุญให้ช่วยเหลือกันและกัน สอนให้ไม่ให้เบียดเบียนกันละกันไม่ให้ทำลายกันไม่ให้ข่าฟันกันไม่ให้สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่กันละกันก็คือให้ระเว้นจากการข่าล้วเว้นจากการลักทรัพย์ลัเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีลัเว้นจากการพูดปดโกโหกหลอกลวงลัเว้นจากการเสพสุรา และของมึนเมาต่างๆที่เป็นเหตุที่จะทําให้ไม่สามารถประครับประคองใจไม่ให้ไปทําบาปทํากรรมได้นั่นเองทุกศาสนาสอนเหมือนกันและทุกศาสนาก็สอนให้ทําใจสงบด้วยวิธีการต่างๆเช่นร้งองเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้าอจับลูกประคำนั่งสมาธิด้วยวิธีการต่างๆ อันนี้ก็เป็นมีอยู่มาตลอดทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรก็ยังก็มีอยู่มีการปฏิบัติการให้ทานมีการรักษาศีลมีการทำใจให้สงบด้วยวิธีการต่างๆแต่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ ได้อย่างถาวรหลับได้แต่เฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิทําใจให้สงบเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็หวนคืินมาเพราะเวลาที่อยู่ในสมาธิต้นเหตุของความทุกข์นั้นไม่ได้ทำงานนั่นเองต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆกิเลสตัณหาความโลภ ความโกรธความหลงต่างๆนี่เองแต่เวลาที่อยู่ในสมาธิกิเลสตัณหาความโลภความโกรธ ค, ความหลงความอยากต่างๆนั้นพักตัวอยู่ชั่วคราวก็ไม่สามารถทาหน้าที่ได้เนื่องจากเครื่องมือของกิเลสก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ได้ทำงานนั่นเองหยุดทำงาน สังขางความคิดตกแต่งนี้ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ถ้าโจรผู้ร้ายขับรถยนต์ก็จะเอารถยนต์ไปทําอาชญากรรมเช่นไปปล้นธนาคารไปทําร้ายไปฆ่าผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องของกิเรตันหาใช้สังขารความคิดไปให้คิดไปในทางโลภกดหนองให้คิดไปในทางทําบาปทํากรรม สังขารนี่ก็สามารถใช้ไปในทางที่ดีได้คือใช้ไปในทางธรรมะเช่นใช้ไปในการทำบุญทำทานรักษาสิ่งภาวนาเจริญปัญญาถ้าคนดีเอารถไปขับก็จะเอารถไปทำความดีเช่นช่วงนี้น้ำท่วมก็จะขนของใส่รถแล้วก็ขับรถไปที่ น้ำท่วมเพื่อที่จะได้เอาข้าวของไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ดยากสังขารนี้เป็นเหมือนรถยนต์ทั้งตัวสังขารเองนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ขับไข่แต่ผู้ที่ขับสังขารนี้ผู้ที่ใช้สังขารนี้ที่เป็นตัวต้นที่ที่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดภยัยหรือเกิดคุณก็ได้เกิดโทษก็ได้เกิดคุณก็ได้ สังขารนี้สามารถคิดไปในทางที่ดีก็ได้คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ส่วนใหญ่สังขารของปุถุชนนี้จะคิดไปในทางที่ไม่ดีเพราะถูกอํานาจของโมหะความหลงครอบงำใจถ้ามีโมหะแล้วก็จะเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปไปเห็นการทำบุญว่ามีความสุข เห็นการทำบุญว่าเป็นความทุกข์เห็นการทำบาวว่าเป็นความสุขคนยังนิยมทำบาปเกินเพราะคิดว่าทำบาปแล้วจะมีความสุขเช่นประพฤติผิดตัวเองนีโกหกหลอกลวงลักทรัพย์หรือค่าผู้อื่นความจริงแนละ้วเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา โลกของปุทุชนนี้จะเป็นโลกของการกระทำบาปเป็นส่วนใหญ่น้อยที่จะทำบุญกันมีเหมือนกันแต่ไม่มากส่วนใหญ่จะทำบาป ก, กันทำบุญนี้เกิดการให้ทานนี้ก็มีบ้างแต่การรักษาสีนี้มีน้อยมากเพราะอำนาจของความหลงของความอยากของความโลภนี้ มันทําให้ไม่อยากจะทําบุญกันไม่อยากจะรักษาศีลกันเวลาเกิดตัณหาความอยากแล้วจะต้องตอบสนองความอยากเพียง อ, อย่างเดียวถ้าไม่ตอบสนองแล้วก็จะลงแรงเช่นคนติดยาเสพติดถ้าไม่ได้เสพยาเสพติดนี้จะทุกข์ทรมานมากจะต้องหาทุกวิถีทางที่จะหายาเสพติดมาเสพให้ได้ ถ้าไม่มีทรัพย์ก็จะไปป้นไปจี้ไปลักทรัพย์เพื่อที่จะได้เอาไปซื้ อ, อยาเสพติดมาเสพนี่คืออำนาจของปัญหาความอยากอำนาจของความหลงที่จะทำให้ปุถุชนนี้ใช้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางทำบาปกันแต่ถ้าเคยได้รับการฝึกฝนอบรมจากผู้ที่ มีความรู้ผู้ที่มีความผู้ที่รู้ว่าบุญรู้ทุกข์รู้บุญรู้บาป<ๆ>ก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมให้คิดไปในทางที่ดีคือให้คิดไปในทางทำบุญคิดไปในทางรักษาศีลคิดไปในทางภาวนาถ้าคิดไปในทางนี้แล้วก็จะทำประโยชน์ให้กับจิตใจทำนำความสุข ความปลอดภัยให้กับจิตใจไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมทั้งในปัจจุบันคือในขณะที่มีชีวิตอยู่ไปติดคุกติดตารางหรือถูกโทษประหารชีวิตตายไปก็ยังต้องไปติดคุกติดตารางในโลกของจิตวิญญาณคือต้องไปเกิดในอบาย นี่คือเรื่องของสังขารสังขานี้เป็นเครื่องมือของใครถ้าเป็นเครื่องมือของกิเลส ก, ก็จะพาไปสู่ความทุกข์ถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมะก็จะพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ในขณะที่เข้าสมาธินั้นสังขารหยุดทำงานเพราะถูกอํานาจของสติควบคุมบังคับไว้ไม่ให้คิด เช่นเวลาเราจเจริญพุทธานุสติเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจเราก็ไม่สามารถที่สังขารก็ไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คิดไปเสพโซลาก็คิดไม่ได้คิดไปประพฤติผิดประเวณีก็คิดไม่ได้คิดไปเที่ยวคิดไปทำอะไรต่างๆก็คิดไม่ได้เพราะถูกการจเจริญ พุทธานุสตินี้ป้องกันเอาไว้ให้คิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพออยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องความอยากต่างๆก็สงบตัวลงไปชั่วข่าวจิตก็สงบลงเป็นอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้เป็นความสงบชั่วข่าว พอกำลังของสติที่หยุดความคิดปรุงแต่งนั้นอ่อนกำลังลงความคิดปรุงแต่งก็จะเพิ่มเริ่มคิดปรุงแต่งพอเริ่มคิดปรุงแต่งก็จะเริ่มรับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกนิ้วกายพอเห็นอะไรก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาทันที เห็นขนมนมเนยก็อยากจะรับประทานทันทีสังขารก็จะปรุมแต่งอยากจะรับประทานทันทีถ้าอยากจะให้ใจไม่เกิดสังขารในขณะที่ออกจากสมาธิมาก็ทำได้สองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็เคยก็วิธีที่เราทำให้จิตเข้าสู่สมาธินั่นเองก็คือจเจริญพุทธานุสติต่อไปบริกรรมพุทโธต่อไป ลุกขึ้นมาเมื่อเราก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วเราก็บริกายคพุทโธพุทโธต่อไปใจก็จะป้องกันไม่พุทธสติก็จะป้องกันไม่ให้สังขารไปคิดถึงเรื่องขนมนมเนยคิดถึงกิเลสตัณหาพอไม่มีกิเลสตัณหาใจก็มีความอิ่มความสุขเหมือนกับในขณะที่อยู่ในสมาธิ พอเดินแล้วรู้สึกเมื่อก็หยุดเดินแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใหม่อันนี้เป็นการใช้ความสงบกาจัดหรือหยุดความอยากเป็นระยะระยะไปแต่ความอยากกิเลสตัณหานี้จะไม่ตายไปด้วยกำลังของสติด้วยกำลังของสมาธิจะหมดไปได้อย่างถาวรนี้ จะต้องหมดไปได้ด้วยกำลังของปัญญาเพราะว่าความอยากนี้เกิดจากความหลงถ้าถ้าแก้ความหลงได้สอนสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ตนเองหลงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยกับใจไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นสุขเพราะสิ่งที่ใจหลงคิดว่าจะให้ความสุขกับตนนั้น เป็นของชั่วล่าวเป็นของที่ไม่แน่นอนเช่นสารอาจจะคิดตรุงแต่งว่าอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหงาวะาเวเอถ้ามีสามีมีภรรยาก็จะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่คุุกเข้าไปกับความทุกข์เพราะสามีภรรยาก็เป็นบุคคลที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เพราะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็อารมณ์ดีก็พูดดีทาดีบางวันอารมณ์ไม่ดีก็พูดไม่ดีทาไม่ดีเวลาที่ต้องไปสัมผัสกับสามีภรรยาหรือคู่ครองของตนในขณะที่มีอารมณ์ไม่ดีก็จะมีแต่ความทุกข์ใจไม่ได้รับความสุขใจอันนี้เป็นสิ่งที่ กิเลตัณหาจะปิดบังไม่ให้เห็นต้องใช้ปัญญาขึ้นมาแก้แก้ความหลงที่คิดแต่ฝ่ายดีฝ่ายเดียวเห็นอะไรก็ว่าดีแต่ไม่เคยเห็นฝ่ด้านไม่ดีเลยของทุกอย่างที่ว่าดีนี้มีมีด้านที่ไม่ดีเหมือนกับเหรียญเหรียญนี้มีสองด้านด้วยกันมีหัวและมีก้อย เวลาเห็นหัวอย่างเดียวว่าคิดว่าเหรียญทั้งเหรียญนี่จะเป็นหัวไปหมดด้านนี้ก็หัวด้านนั้นก็หัวแต่พอพลิกขึ้นมาอีกล่าด้านหนึ่งถึงจะเห็นว่าออกมันไม่ใช่หัวมันเป็นก้อยฉันได้สิ่งต่างๆในโลกนี้หรือบุคคลต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นมีสองด้านมีด้านดีและด้านไม่ดีเสมอไปด้านดีก็คือเวลาด้านด้านที่เจริญ เวลาอยากได้อะไรก็ได้ดังใจอยากจะให้เขาทำอะไรเขาก็ทำให้เราทันทีอย่างนี้เรียกว่าด้านดีซึ่งมัเป็นจะเป็นส่วนแรกเวลาที่เจอกันมักจะเจอด้านดีกันเวลาอยากจะได้อะไรในประเคนหยิบมาปะเคนหยิบมาถวายให้ทันทีเลยแต่พออยู่ไปด้วยกันไม่นาน ก็จะเห็นด้านไม่ดีโผล่ขึ้นมาเวลาอยากได้อะไรก็ไม่หยิบให้เสร็จแล้วไม่ประเคนให้เสร็จแล้วอยากจะได้ก็หยิบเอาเองอย่างนี้ก็จะเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขแล้วเมื่อก่อนคิดว่าเขาจะรับใช้เราอยู่แบบตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับโรงแรมต้องการอะไรก็สั่งได้ นอ้นแต่โรงแรมก็สั่งไม่ได้เสมอไปเวลาไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วเขาก็เตะเราออกจากโรงแามนแต่เวลามีเงินเขาก็บริการเราอย่างเต็มที่อันนี้ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างความสุขของโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเสือมมเเส่อมหมดไปเวลาเสื่อมหมดไปเวลานั้นเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจ ถ้าเสื่อมมากๆเสื่อมแบบไม่มีวันที่จะฟื้นกลับคืนมาเช่นหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวค่อยเป็นเศรษฐีค่อยมีความสุขจากการใช้เงินใช้ทองแต่พอมาประสบกับความล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยเวลานั้นจะไม่อยากอยู่เลยบางทีถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ได้คิดถึงด้านลบนั่นเอง คิดแต่ด้านบวกของเงินทองว่ามีเงินมากมาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าวันดีคืนดีเงินทองที่ให้ความสุขกับเรานี้อาจจะหมดไปก็ได้หมดไปโดยที่ไม่คาดฝันเลยอันนี้แหละคือปัญญาที่เราต้องใช้พิจารณาทุกครั้งที่ถูกโมหะความหลงมาหลอกให้เราไปหลงเห็นดีเห็นงามกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นอนิจจังให้ได้ให้เห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเจอกันใหม่ๆก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันแต่ถ้าอยู่กันไปเรื่อยๆต่อไปก็กลายเป็นคนแก่ไปกลายเป็นคนเจ็บไปกลายเป็นคนตายไป นี่คือสิ่งที่เราไม่พิจารณากันเราจรึงถูกความหลงหลอกให้เราวิ่งเข้าหาความทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากก็ให้พิจารณา ว, ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่อาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเราอยากได้แล้วไม่ได้เวลานั้นจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่อยากได้เราก็จะไม่เดือดร้อนดังนั้นเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ต้องอยากไปอยากอยากไปทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากได้แล้วต่อไปความอยากก็จะไม่มีกำลังที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้นี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อที่จะ ดับความทุกข์ดับความทุ่งซ้านผู้ที่มาทำลายความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาอพอใจเป็นอุเบกขาก็จะเป็นผู้รู้อย่างเดียวแต่พอใจเกิดตัณหาขึ้นมาก็เปลี่ยนจากการเป็นผู้รู้เป็นผู้แสดงขึ้นมา ท, ทันทีพอเกิดความอยากปับ๊บนั่งดูเฉยเฉยไม่ได้แล้วต้องโดดไปเล่นกับเขาแล้ว โดไปเล่นกับร่างกายแล้วปล่อยให้ร่างกายเล่นไปเฉยไม่ได้ต้องเข้าไปเล่นกับเขาแล้วเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจถ้าไม่มีปัญญาหรือไม่มีสตินี่ก็จะไม่สามารถที่จะต้านความอยากได้ก็จะต้องกระโดดลงไปเล่นบทบาทต่างๆพอเล่นแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวกลับมา มือนกับสุนัขที่ลงไปกัดกันกัดกันแล้วเสร็จกลับมาก็ทะเลาะบอกเปลือกกันไม่ได้อะไรได้แต่ความเจ็บกันกลับมาเพราะถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่านั่นคือความสุขกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่รู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งสอนเรา ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร่เราจะไม่รู้เรื่องของปัญญาเรื่องของปัญญาก็คือเรื่องของอนิจจ์นี้เองความไม่เที่ยงเรื่องของอนัตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้สิ่งต่างๆไม่เสื่อมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะทุกข์ใจ เศ้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ทันเราก็จะรู้เฉยเฉยจะไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เสมอไปบางเวลาก็สั่งได้เวลาสั่งได้ก็รอดตัวไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวแล้วได้กว๋วยเตี๋ยวมากินก็ดีใจพอสั่งกว๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวเอาบะหมี่มาให้แทนก็โกรธนะ้วเสียใจแล้ว อันนี้ถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุขก็อย่าไปสั่งเวลาไปร้านอาหารเขบอกเอ้าอะไรก็ได้มีอะไรก็เอามาก็แล้วกันยกมาคนอื่นก็กินได้ฉันก็กินได้แค่นี้ก็จะไม่ผิดหวังเขายกอะไรมาก็สมหวังเพราะได้กินสิ่งสิ่งที่เราต้องการมาดับความหิวโหยของร่างกายนี้ท่นั้นเอง งั้นต้องอยู่แบบผู้รู้เฉยๆอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปใครจะมาก็ปล่อยเขามาถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราไปหลงเองไปหลงว่าเขาดีบ้างไม่ดีบ้างชอบเขาบ้างไม่ชอบเขาบ้างพอชอบเขา เวลาเขามาก็ดีใจถ้าไม่ชอบเขาเวลาเขามาก็เสียใจแต่เวลาคนที่เราชอบเขาไปเราก็เสียใจแต่คนที่ไม่ชอบถ้าเวลาเขาไปเราก็ดีใจแต่ถ้าเราเฉยๆไม่มีความชอบไม่ชอบเขามาเราก็เฉยๆเขาไปเราก็เฉยๆอันนี้เราต้องมองให้เห็นว่าทุกคนไี่เหมือนกันหมด ดีชั่วนี้เป็นเรื่องที่เราไปไปเลือกดูเอาเองเราไม่ดูส่วนที่มันเหมือนกันเก่ฑร่านกายของพวกเราทุกคนนี่มีอาการ32เหมือนกันหมดมีผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีอวัยวะต่างๆเหมือนกันหมดมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความยินดียินร้าย แต่ได้เห็นว่าคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยอันนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเจอคนสวยก็อยากจะให้อยู่กับเราเวลาเจอคนไม่สวยก็อยากจะให้เขาไปเวลาเขาไม่ไปก็ทุกข์บางทีก็ถึงกับต้องทําบาปหาวิธีฆ่าเขาบ้างหาวิธีขับไล่เขาบ้างเพื่อให้เขาไปพ้นหูพ้นตาเรา แต่ถ้าเรามีปัญญามองว่าเขาก็เป็นเพียงอาการสามสิบสองเท่านั้นเองเป็นผมเป็นขนและบวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเดี๋ยวเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนกันถ้าเราทนอยู่กับเขาไม่ได้เราก็ไปเสียก็ได้เขาอยู่ตรงนี้เราก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งก็แล้วกันอันนี้เป็นวิธีที่ไม่มีปัญหาคือแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร การชนะนี้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมที่เราไปขับไล่สายส่งเขาก็เราไม่ชอบเขาก็ทำให้เขาโกรธเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราโอกาสหน้าถ้าเขามีโอกาสที่จะทำร้ายเราเขาก็จะทำร้ายเราแต่ถ้าเราไม่ไปทำให้เขาโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเวลาเขามีโอกาสจะทำร้ายเราเขาก็จะไม่ทำเพราะไม่มีเหตุที่จะให้เขาทำนั้นเอง ดังนั้นเราต้องฝึกสอนใจให้ทําหน้าที่ของตนให้ถูกต้องหน้าที่ของใจก็คือเป็นผู้รู้การจะเป็นผู้รู้เฉยๆได้สักแต่วร่รูได้ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญานี้เองเวลามีสติก็ทาใจให้สงบพอใจสงบก็จะเป็นอุเบกขาก็จะสักแต่วรูได้พอออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะรักษา สักแต่ว่ารู้ให้อยู่ต่อไปก็ใช้ปัญญาคอยสกัดความอยากที่จะคอยผุดขึ้นมาเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาว่าอย่าไปอยากเลยสิ่งที่อยากนี้เป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขอย่างเดียวเวลามันทุกข์นี่มันทรมานยิ่งกว่าความสุขที่ได้หลายร้อยเท่าเดียกันสู้เอย่ไปเอาความสุขน้นนอยๆแล้วต้องมาทุกข์กับความสุขที่ยิ่งใหญ่เลย เหมือนกับปลาที่เห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดอย่าไปฮุบเหยื่อเลยเหยื่อนี่มีชิ้นเล็กๆ เ, เท่านั้นเองแต่ตะขอที่มันอยู่ซ่อนอยู่ใต้เหยื่อนี่มันเวลาเกี่ยวปากว่ามันเจ็บมากให้คิดอย่างนี้ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดความทุกข์ที่จะได้จากการไปฮุบเหยื่อนี้มันไม่คุ้มค่ากับเหยื่อที่เราได้รับมา เราอยากได้อะไรพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็หายไปละแล้วเดี๋ยวพอความอยากใหม่เกิดขึ้นมาความสุขนั้นที่เคยได้จากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็หายไปหมดพราะเกิดความอยากได้สิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราฝืนความอยากไปความอยากก็จะอ่อนกําลังไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมา พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะเป็นผู้รู้อยู่ไปต่อได้อย่างสบายเห็นอะไรก็สักแตรร่ว่ารู้เพราะไม่อยากจะได้อะไรจากใครไม่อยากไม่ต้องการอะไรจากใครไม่ต้องการอะไรจากสิ่งต่างๆเพราะใจมีความอิ่มมีความสุขเต็มตัวอยู่ในหัวใจแล้วคือความสง บ, บนี่เองนี่แหละที่พระพุทธเจ้าพระหลานตสาวกทั้งหลายท่าน ไม่หิวไม่อยากกับอะไรก็เพราะว่าท่านสามารถรักษาใจของท่านให้สงบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดเพราะท่านมีเครื่องมือที่จะกำลาบความอยากไม่ให้โผลขึ้นมานั่นเองขั้นต้นก็ใช้การเจริญสติใช้การนั่งสมาธิพอ พอได้สติได้สมาธิแล้วก็ขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจให้มองโลกในมุมมุมมุมกลับบ้างอย่ามองแต่มุมเดียวอย่ามองแต่ด้านดีด้านสวยด้านงามให้มองที่ด้านไม่ดีบ้างด้านเสื่อมบ้างถ้าเห็นด้านไม่ดีของสิ่งที่เราคิดว่าดีเราก็จะได้ไม่หลงนั่นเอง ยิงเห็นว่าการมาเกิดนี้ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้เป็นต้นต่อไปจะเห็นแล้วก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเห็นอะไรก็ต้องเห็นความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นตามมาพอเห็นความเสื่อมหมดไปแล้วเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาทดแทนก็จะหยุดความอยากได้เช่นอยากจะดื่มสุราถ้าดื่มหมดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดื่มอีกเพราะ ความสุขที่ได้จากการดื่มชวราในวันนี้พอพรุ่งนี้มันก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความหิวความอยากดืม่มตามมาใหม่ถ้าไม่หยุดดืม่มมันก็จะดื่มไปจนกระทั่งร่างกายดื่มไม่ไหวหรือร่างกายตายไปเยคนที่เป็นโรคพิษสิาเรื้ังก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้ที่ไม่หยุดความอยากเพราะไม่มีปัญญาไม่มีใครสอนให้คิด ในทางปัญญานั่นเองถ้าคิดไปในทางปัญญาได้ก็จะหยุดความอยากดื่มสุราได้หยุดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเฉพาะใจที่มีความสงบนี้มีกำลังมากเพราะมีความอิ่มมีต้นทุนอยู่แล้วเหมือนกินข้าวลองท้องมาแล้วจะกินอีกจานหรือไม่กินอีกจานนี้ไม่เดือดร้อนเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วไปเจออาหารจานใหม่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่เดือดร้อนเลย แต่ถ้ายังไม่มีความสงบนี้เหมือนคนหิวโซซัดโซไซมาพราอเห็นอะไรปั๊บต้องกินอย่างเดียวถ้าไม่กินแล้วจะลงแดงจะตายให้ได้คนที่ไม่มีสมาธิจึงเลิกไม่ได้เวลาติดอะไรแล้วเลิกไม่ได้ติดโซลาเลิกไม่ได้ติดบุเร่เลิกไม่ได้ติดยาเสพติดเลิกไม่ได้ติดผู้หญิงติดผู้ชายเลิกไม่ได้ติดเที่ยวเลิกไม่ได้แต่ถ้ามาฝึกทําใจให้สงบ ทำใจให้เป็นสมาธิแล้วจะเลิกได้เพราะใจมีความอิ่มมาลองลองรับแล้วใจไม่หิวแนละ้วเพียงแต่ว่าความอยากมันยังฝังอยู่เป็นนิสัยอยู่เดิมอยู่ที่จะต้องใช้ปัญญาหรือใช้สติปัญญามาแก้คือไม่ไปทำตามความอยากให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่เดินออกจากความทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถทำกันได้และเป็นโอกาสนี้โอกาสเดียวเท่านั้นที่เราจะได้มีโอกาสอย่างนี้เพราะไม่นานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาให้เป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งผู้สอนความจริงอันนี้ให้แก่พวกเราถ้าเราตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่พระพุทธศาสนาอาจจะหมดไปจากโลกนี้แล้วก็ได้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้วิธีแก้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเราก็จะทําแบบที่เคยทําก็คือเวลาอยากก็ต้องทําตามความอยากก็หายทุกข์ไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องทําตามความอยากใหม่แล้วถ้าทําตามความอยากแบบที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ได้ก็ต้อง ไปทำความตามความอยากแบบผิดศีลผิดธรรมก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายอดังนั้นชาตินี้เป็นโอกาสอันเลิศอันวิเศษที่เรามีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้นำทางให้แก่เราขอให้เรา พ, พยายามศึกษาให้มากๆเพื่อให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเราจะต้องทาอะไรก็คือเราต้องเจริญสติให้มาก นั่งสมาธิทำใจให้สงบให้มากแล้วพอเราได้สมาธิแล้วก็ต้องรักษาความสงบนั้นด้วยปัญญาต่อไปด้วยการกำจัดด้วยการฝืนความอยากต่างๆถ้าเราทำได้แล้วรับรองได้ว่าในชาตินี้เราจะสามารถทำลายความอยากต่างๆทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทำกันท่านทำกันในชาตินี้ทั้งนั้นเพราะเป็นชาติเดียวทั้งนั้นนะที่จะทำกันได้เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหันต์ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางเราจะไม่สามารถทำเองกันได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีนั่นเองทั้งนั้นชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุด ในหลายหลายชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันมายังไม่ควรที่จะปล่อยให้โอกาสอันเดียร์งานนี้หลุดมือไปอย่าคว้าน้ําเหลวน้ําขึ้นให้รีบตักเวลาของเรามีน้อยลงไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่าไปอย่าไปลหลงไหลกับสิ่งต่างๆอย่างอื่น อย่าไปหลงไหลกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหลงไหลกับ่าติยศสรรเสริญที่เราได้เสพได้สัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วมันทำให้เราดุดพ้นจากความทุกข์รือยางลองมาทำตามที่พระเจ้าส่งสอนสิพระเจ้าบอกว่าถ้าทำตามที่พระเจ้าส่งสอนภายในเจ็ดวันนี้ก็สามารถที่จะดุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้านี่คืออย่างเร็ว ถ้าไม่สามารถหลุดพ้นได้ภายในเจ็ดวันก็ทรงรับรองว่าภายในเจ็ดปีนี้เป็นอย่างมากถ้าฝึกเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับนอนสันกลนั่งสมาธิสลับกันไปทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาพักผ่อนหลับนอนพอได้สมาธิก็ให้เจริญปัญญาต่อไปรับรองได้ว่าไม่เกินเจ็ดปีจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันอย่างแน่นอน อันนี้เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นถ้าไปถ้าถ้าเป็นสินค้าก็เป็นช่วงลดราคาสินค้าแล้วนานๆจะลดทีหนึ่งปีหนึ่งจะลดสักขนหนึ่งถ้าไม่รีบไปซื้อตอนนี้ก็ต้องรอปีหนะ้าถ้าเราไม่รีบตักเตืองพระพุทธศาสนาในยุคนี้เราก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งไม่ใช่เป็นปีหนะ้าเหมือนสินค้ามันเป็นอีกหลายกลับหลายกันด้วยกัน ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าประมาทขอให้พวกเราสร้างศรัท ธ, ธาความเชื่อขอให้เราสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาให้เห็นคุณค่าของการศึกษาและของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติจนบรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงกันอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนายะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเคตเป้าเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปัญญาระโสยธาณิโชติระโสยธาสพิติโยวิวัจจันโตสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตาโยสุขีธีพายุโกภวะอภิวัฒนศีริสานิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวทานติ อายุวันโอสุขังภาลังสาธุ คต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติอพิชาโตนะครับคำถามจากคุณปอมนะครับคำถามแรกมีคนว่าการปฏิบัติธรรมไม่ต่างอะไรกับการหาประโยชน์เข้าตัวเองไม่สนใจคนรอบข้างหลีกหนีปัญหามุ่งสวงหาความสงบของตัวเองเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคือคำว่า เห็นแก่ตัวนี้ไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัวหรอกพวกเราทุกคนเกิดมานี่ก็ต้องเห็นแก่ตัวถึงอยู่รอดถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราจัดมัวแต่ไปช่วยคนอื่นไม่ช่วยตัวเราเองเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นเบื้องต้นเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนอย่างการเห็นแก่ตัวนี้ถ้าเป็นการเห็นแก่ตัวที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี้ก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใด เช่นเวลาเรารับประทานอาหารนี่เราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเวลาเรานอนหลับนี่เราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเวลาเราไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวเรานี่ไม่ไปสนใจเรื่องของคนอื่นหนีปัญหาหนีอะไรต่างๆเราไปทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนหรือเปล่าเอเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราต้องเห็นแก่ตัวพวกเราทุกคนทําทุกอย่างก็เพื่อตัวเราเองทั้งนั้นแดังนั้นการเห็นแก่ตัวที่ ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี้จึงไม่เป็นเรื่องที่เสียหายแต่อย่างใดแต่การเห็นแก่ตัวที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกันการทำบุญทำทานการรักษาศีลการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้มันเสียหายตรงไหนมันมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและแก่ผู้อื่น เรามาทำบุญทำทานกันเราก็มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นเรารักษาศีลเราก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรามานั่งสมาธิทาใจให้สงบเราก็ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับใครไม่เหมือนกับนั่งกินเล้าฟังคาราโอเกะน้องแหกบา ก, กันทั้งคืนดังนั้นขอให้เราให้ให้มอง อะไรให้มันกว้างๆอย่ามองแต่จุดเล็กจุดน้อยเช่นคนนั่งหลับตาไม่สนใจเรื่องคนอื่นก็หาว่าหนีปัญหาหรือว่ า, าไม่สนใจคนอื่นมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเวลาที่ต้องทำอย่างนั้น เ, เหมือนกับคนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้จะมาสนใจเรื่องคนอื่นได้ไหมจะมาแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆได้หรือเปล่าก็ต้องหนีปัญหาไปก่อน ไปอยู่คนเดียวไปรักษาร่างกายให้หายก่อนพอร่างกายหายแล้วค่อยออกมาแก้ปัญหามาทําอะไรต่อไปใจของพวกเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ไม่สบายเวลาเราทุกข์เราจะทํำยังไงเราจะไปแก้ปัญหาได้อย่างไรเวลาเรามีความทุกข์เราจะไปทําประโยชน์อะไรให้กับใครได้ที่ไหนเวลาเรามีความทุกข์ เวลานั้นก็ต้องเป็นเวลาที่เราต้องไปรักษาใจให้เราไม่ทุกข์เสียก่อนพอเราหายทุกข์แล้วทีนี้เราก็มาทำประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบาเพ็ญก็ไม่ยุ่งกับใครไม่สนใจกับใครดูดูก็เหมือนกับว่าหนีปัญหาแต่ความจริงแล้วท่านไม่ได้หนีปัญหาท่านนั่นแหละเป็นผู้เดอนเข้าหาปัญหาอย่างแท้จริงผู้ที่ภาวนานี้ไม่ได้ดินหนีปัญหา แต่เดินเข้าหาปัญหาเพื่อจะได้แก้ปัญหาเพราะปัญหาที่แท้จริงของใจนี้มันอยู่ในใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้พระพุทธเจ้าเดินเข้าหาตัวนี้เดินเข้ามาต่อสู้กับตัวนี้จนกระทั่งทำลายตัวนี้จนหมดไปแล้วไม่มีปัญหาเลือยู่แล้วทีนี้พอหมดปัญหาแล้วทีนี้ก็ออกมา ช่วยเหลือผู้อื่นให้มาช่วยแก้ปัญหาของเขาเนี่ยพวกเราเนี่ยที่เรามาหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อมาหาวิธีแก้ปัญหาของพวกเรากันปัญหาของพวกเราก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่ตางๆนี่เอ ง, ท, งทั้งทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามส่วนใหญ่เราไม่รู้รว่าความทุกข์ของเราปัญหาของเราเนี่ยเกิดจากความอยากของเราเองจนกว่าเราจะได้ปฏิบัต ไปจนถึงเข้าสู่ขั้นของปัญญาแล้วนั่นแหละเราถึงจะเข้าใจว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยอยู่ที่ความอยากของเรานี่เองดังนั้นการพูดอะไรแบบที่หูหนวกตาบวชพูดนี่ก็คนฟังก็อยากไปบ้าตามเขาฟังแล้วก็ต้องพิ จ, จารณาอย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนใ ห, ให้ให้ฟังเฉยๆไม่ว่าจะเป็นใคร ใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปฟังไปแต่ไม่ให้ไปสรุปไปเชื่อเขาทันทีทันใดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่เราต้องเอามาวิจัยเอามาพิจารณ า, ามาวิเคราะห์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมีเหตุมีผลไหมถ้าพิจารณาแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลมันเหมือนกับคําพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ กาโยนทิ้งลงไปในถังขยะเสียอย่าไปสนใจแต่ถ้าคำพูดอันไหนที่มีเหตุมีผลมีสาระมีประโยชน์ที่เราสามารถที่จะเอามาทำประโยชน์ให้กับเราได้ก็นำเอามาเอามาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังดังนั้นอย่าไปคิดว่าการเห็นแก่ตัวนี้เป็นสิ่งที่เสียหาย การการเห็นแก่ตัวนี่มีสองแบบเห็นแก่ตัวแบบเสียหายก็มีเห็นแก่ตัวแบบไม่เสียหายก็มีการเห็นแก่ตัวแบบเสียหายก็คือจะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นจะเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมเหมือนกับเวลาไปรับประทานอาหารกับเพื่อนพอถึงเวลาจ่ายก็ออกไปก่อนเข้าห้องน้ำไปก่อนอย่างนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่ยอมรับผิดชอบกับ าการช่วยกันจ่ายค่าอค่าใช้จ่ายหรือมีภาระหน้าที่ต้องทําเวลาถึงเวลาต้องทํากับไม่ทํากันหลบกันไปแต่เวลาถึงเวลารับประทานนี่โผลกันมาพร้อมหน้าถ้าเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ดีเข้าใจนะคําถามข้อต่อไปจากคุณพิ่พัฒนะครับ กับผมเริ่มปฏิบัติภาวนาบริกรรมพุทโธตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวได้เมตตาอบรมสั่งสอนเป็นเวลาประมาณห้าปีจิตมันก็เริ่มสงบให้เห็นบ้างและจิตเคยสงบลงรู้สึกโล่งและว่างไปหมดหนึ่งครั้งแต่ทุกวันนี้รู้สึกทำบริกรรมละเอียดมากบางครั้ง เกือบจะนึกคำบริกรรมไม่ได้พอมากำหนดดูลมหายใจลมหายใจก็ละเอียดมากบางทีรู้สึกลมหายใจหายไปแต่กับผมรู้สึกว่าความรุ่มร้อนภายในหัวใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายมันก็มีมากขึ้นพอพอกันกับผมต้องใช้เวลาภาวนามากขึ้นทำให้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายภายในใจระงับตัวลง พอเห็นความสงบบ้างเล็กน้อยไปวันๆขอเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์ว่ากระผมปฏิบัติถูกต้องไหมขอรับและควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปปฏิบัติก็คงจะถูกต้องถ้าใจสงบถ้ามันเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็แสดงว่าช่วงนั้นไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันก็จะรักษาความสงบไปได้ เวลาใดที่เราเผลอเราไม่ควบคุมจิตความคิดปรุงแต่งปล่อยให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดปัญหาเกิดความยากเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดให้เกิดความฟุง้งซ่านเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าอยากจะรักษาความสงบที่ได้ก็อย่างที่ได้แสดงไว้เบื้องต้นว่าออกจากความสงบมาก็ต้องรักษา ด้วยสติคือบริกรรมพุทโธต่อไปหรือมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาหรือว่าถ้าจะใช้ปัญญาก็เวลาเกิดกิเลสตัณหาก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของตัณหาของความอยากให้เห็นสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นความสุขที่มีความทุกข์แถมตามมาต่อไป เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นจะต้องเสื่อมจะต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าใช้แบบนี้ก็จะสามารถที่จะควบคุมรักษาความสงบไปได้เรื่อยๆปัญหาคิดว่าคงจะปฏิบัติชั่วขณะที่นั่งเท่านั้นพอออกมาจากการนั่งก็ปล่อยประละเลยปล่อยให้จิตใจออกไปเพ่นพ่านไปทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่คอยควบคุมไว ซึ่งอาจจะยากถ้าเป็นคาราวาดเพราะว่าเวลาปฏิบัติคงจะมีน้อยวันหนึ่งจะนั่งสมาธิได้สักกี่ครั้งได้สักกี่นาทีกันถ้าอยากจะได้สงบแบบนักปฏิบัติแบบพระก็ต้องอยู่ต้องปฏิบัติแบบพระเท่านั้นนะพระท่านไม่มีภารกิจหน้าที่อย่างหนึ่นถ้ามีหน้าที่อย่างเดียวคือควบคุมรักษาใจให้สงบอยู่ตลอดเวลาด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญา ถ้าอยากจะได้ผลอย่างที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้รับกันเราก็ต้องเจริญเหตุแบบเดียวกับท่านถ้าเรายังเป็นคารวะเป็นนักกีฬามือสมัครเล่นอยู่เราจะไปแข่งชิงเหรียญทองเหรียนอะไรกับผู้เป็นนักกีฬามืออาชีพได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเรานั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมง แล้วเราจะไปหวังให้จิตสงบไปทั้งวันนี้เป็นไปไม่ได้จิตจะสงบทั้งวันก็ต้องเจริญสติทั้งวันเท่านั้นจนกว่ากิเลสตัณหามันจะตายไปหมดแล้วเท่านั้นนะถึงเวลานั้นแล้วไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องทำอะไรเพราะเหตุที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่สงบนี้ถูกทำลายไปหมดเหตุก็คือตัณหาความอยากต่างๆนี้เองพระพุทธเจ้ากับพระอราหารนันต์นี้ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิแบบ พักผ่อนไอเดียบทท่านไม่ได้มามาควบคุมใจให้สงบเพราะใจสงบอยู่ตลอดเวลาจะควบคุมหรือไม่ควบคุมก็ตามเพราะเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบนั้นมันไม่มีนั่นเองคาถามข้อต่อไปจากคุณสารณภพนะครับเคยได้ไปฟังธรรมะพระอาจารย์ที่วัดยานได้สองครั้งก่อนจะบินกลับมาเรียนต่อที่อเมริกา ตอนนี้กลับมาที่สแตนฟอร์ดได้หนึ่งเดือนเรียนหนักมากๆงานมาไม่ขาดสายเลยครับทำให้ทุกครั้งที่ตั้งใจจะปฏิบัตินั้นสภาพร่างกายและสมองมีความอา่อนล้ามีความง่วงหางาเหานอนส่งผลให้ตั้งแต่กลับมานั้นทุกครั้งที่ปฏิบัติก็ยังไม่นิ่งซักทีอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าพอจะมีวิธีเอาชนะ ความอ่อนล้าและความม่วงขณะปฏิบัติไหมครับก็ต้องมีความอดทนมีความอุตสาหะวิระยะความภาคเพียรถ้ามีความขยันบังคับตัวเองให้ปฏิบัติไปถึงแม้จะยากจะลำบากอย่างไรก็อดทนไปก็พอที่จะถูถายไปได้แต่ต้องยอมรับความจริงว่า ชีวิตของคาราวาสที่มีภารกิจทางทางโลกนี้ก็เป็นเหมือนกับการขับรถบนถนนที่มีรถติดเยอะมีสี่แยกไฟแดงเยอะไม่เหมือนกับการขับรถบนทางด่วนถ้าอยู่บนทางด่วนนี้มันก็จะไม่มีรถติดก็จะวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าเรายังอยู่ในสภาพของคาราวาส์อยู่ก็เป็นเหมือนกับการขับรถตามถนน ที่ยังมีสีแยกไฟแดงมีรถติดกันอยู่จะทํำยังไงมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีก็ต้องทําใจเท่านั้นว่าเราอยู่ในสภาพนี้ก็ต้องทนเหมือนไปเหมือนกับคนที่เขาทนขับรถอยู่อันขับรถวิ่งไปชั่วโมงวิ่งได้แค่สี่ห้ากิโลอย่างนี้แต่ถ้าได้ขึ้นไปบนทางด่วนนี่มันก็ปั๊บเดียวก็ถึงการจะขึ้นทางด่วนก็เหมือนกับการที่จะต้อง สระชีวิตของคารวาส น, นั่นเองก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชจะบวช ด, ด้วยการหม่มผ้าโกนหัวหรือว่าจะบวชทางใจก็ได้เหมือนกันขอให้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นนักบวชได้เหมือนกันมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถหาเวลามาปฏิบัติได้มากน้อยเท่านั้นเองถ้ามีเวลาน้อยมันก็ยิ่งยากเพราะว่า การที่เราไปทำอะไรต่างๆนั้นมันเป็นการวิ่งสวนทางกันและวิ่งถอยหลังเพราะว่าเวลาเราทำงานทำภารกิจทางโลกนี้เราต้องใช้สังขารความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะถูกกิเลสปัหาคอยผูกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอยแทรกขึ้นมาคอยดันอยู่เรื่อยๆพอเวลาเราจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบมันไม่มีกำลังที่จะสู้มันได้ ดังนั้นก็ขอให้ทำเท่าที่จะทําทได้ก็แล้วกันอย่าไปอยากเกินกําลังที่เราจะได้อย่าไปอยากได้ผลที่เราไม่สามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะจะทําให้เราท้อแท้จะไม่อยากทําขอให้เรามากน้อยสันโดษก็คือว่าเราทําได้แค่นี้ผลได้แค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําก็แล้วกันขอให้คิดอย่างนี้ขอให้ทําไปเท่าที่เราจะสามารถทําได้ แล้วผลจะได้เล็กได้น้อยได้หยดสองหยดก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยขอให้คิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อนอยายล้วก็จะเลิกทำไปเลยคำถามข้อต่อไปจากคุณชวนพิษนะครับโยมภาวนาแล้วกลางคืนจิตมันตื่นกลางกลางคืนมันจะไม่ยอมนอนถ้านอนได้เวลาของการนอน จะน้อยลงแต่จะไม่ฝันแต่ตื่นมาจะไม่เพียหรือมีความรู้สึกว่าต้องการนอนชดเชยเป็นอย่างนี้มาประมาณเดือนกว่าแล้วและเนื่องจากว่าโยมยังต้องทำงานอยู่ทุกวันและต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำงานจึงรู้สึกกังวลว่าสภาพร่างกายจะไม่ไหวเพราะบางคืนจะไม่นอนเลยจนถึงเช้าจึงกลับเรียนถามว่า โยมควรทําอย่างไรก็ลองทําดูไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปอ่าอย่าเพิ่งไปวาดภาพว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราตอนคืนนอนไม่ได้เราก็ภาวนาไปตอนเช้าถึงเวลาไปทํางานเราก็ไปทํา ง, งานแล้วดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าจิตมีพลังบางทีมันไม่ต้องนอนมากนอนคืนละสี่ชั่วโมงก็พอ พระพุทธเจ้าสอนให้พระนอนคืนละเพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้นคืนนี้คืนในคืนหนึ่งนี้พระจะให้แบ่งเป็นสามช่วงช่วงละสี่ชั่วโมงช่วงแรกหกถึงสี่ทุ่มหกโมงถึงสี่ท่มนี้ให้ภาวนาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิพอสี่ทุ่มสงตีสองก็ให้พักนอนพักพอตีสองตื่นขึ้นมาก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิถึงสวสาง ดังนั้นถ้าได้นอนประมาณสี่ชั่วโมงนี้ก็เหลือเฟือแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าร่างกายจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราอย่าไปตีตนก่อนไข้ให้มันเกิดไข้ขึ้นมาก่อนตอนนี้มันยังไม่เกิดเราถ้าเราเราสามารถนอนน้อยได้นี่แสดงว่าเรามีบุญมากเพราะว่าเราอยู่เหนือนิวรคือความง่วงเหงาหง่อนนอนได้คนส่วนใหญ่นี้จะรู้สึก มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความง่วงนอนใช่มากกว่าถ้าเราไม่ง่วงนอนเราตื่นทั้งคืนอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีบุญงนั้นพยายามเรียกภาวนาไปให้มากๆพอถึงเวลาตอนเช้าก็ตื่นไปทํางานดูซิว่าจะเจ็บคไายได้ป่วยหรือเป็นอะไรไปหรือเปล่าถ้าเป็นแล้วเราค่อยมาปรับใหม่ถ้าไม่เป็นก็ทําต่อไปอย่างนี้ถ้าร่างกายได้พักสี่ชั่วโมงนี่ก็เหลือเฟือแล้ว บางท่านที่ท่านถือในสัตชิกก็มีคือจะไม่นอนเลยคือจะใช้สามเอเรียบทจะอยู่ในสามอเรียบทคือเดินยืนกับนั่งจะไม่นอนถ้าจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในสามท่านี้หลับในท่ายืนก็ได้หลับในท่านั่งก็ได้หรือหลับในท่าเดินคงจะไม่ได้ถ้าเดินหลับก็คงล้มไปเลยแต่ถ้าร่างกายมันเหนื่อยมากๆจริงๆเดี๋ยวมันดับของมันเอง นั่งก็หลับได้ยืนก็หลับได้แล้วพอมันได้รับการพักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาเองดังั้นเรื่องราเหล่านี้ไม่ต้องไปกังวลกับมันน่ากังวลกว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการง่วงเหงาหาวนอนอันนี้น่ากังวลกว่าถ้าเราไม่ง่วงนอนนี่ถือว่าดีเป็นประโยชน์กับเราพยายามเลืกช่วยโอกาสนี้เสียตอนนี้พยายามภาวนาให้มาก คำถามข้อต่อไปจากคุณดวงดาวนะครับที่ว่าวัดป่าจะกลายเป็นวัดบ้านวัดบ้านจะกลายเป็นคนตายคนตายจะกลายเป็นบ้าความหมายในว่ายอย่างไรไม่รู้รครับคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณลานา น, า น, นะครับ คำว่าปรมัติคืออะไรสมอมะขามป้อมคนที่รักษาศีลเคี้ยวทานได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าคือคำว่าปรมาณนี่ท่านใช่กับยาสมุนไพรที่ฉันได้เช่นพวกมมะขามป้อมของอะไรที่ถือว่าเป็นยาแล้วท่านก็เอามาฉันตอนบ่ายได้คือ เป็นยามารักษาโรคซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคท้องผูกกันพระบางทีท่านจะขาดอาหารที่ฉันแล้วมันทําให้ท้องผูกคือฉันอาหารที่ทําขาดอาหารที่ทําให้ไม่ต้องไม่ท้องไม่ผูกท่านก็เลยต้องอาศัยการฉันของพวกที่เป็นเอเนี่ยของเปรี้ยวของดองของอะไรที่จะไปช่วยทําให้ร่างกาท้องมันถ่ายออกมา เขาถามว่าคนที่รักษาศีลเคี้ยวทานได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับคือถ้าเป็นยาเขี้ยวได้ทานได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะจากท่านเดิมนะครับวันพระสมทานศีลอุโบสถตอนตีห้าขับรถออกนอกบ้านไปตลาดไปเหยียบมดฝอยท่าโดยที่ไม่เห็นและไม่เจตนาศีลขาดหม่เจ้าคะ ขาดเพราะว่าไปไปฆ่าเขาแล้วเพียงแต่ว่าจะไม่มีเวรมีกรรมเท่านั้นเองเพราะไม่มีเจตนาเข้าถึงบอกให้ถือศีลในอุโบสถไงอุโบสถศีลก็แปลว่าให้อยู่ที่พระอุโบสถอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์ถ้าอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์แล้วก็จะได้ไม่ไปฆ่าอแต่ก็ไม่แน่กันเดี๋ยวเดินไปเหยียบมดขึ้นมาจะทํำยัำยงไงถ้ามันสุดวิสัยก็ต้องอย่าไปกังวลกับมันม า, มากจนเกินไป แต่การอยู่วัดนี่มันจะปลอดภัยกว่าคือถ้าข้าแบบไม่มีเจตนาแล้วเป็นสัตว์เช่นมดนี่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ถ้าเราขับรถไปซื้อข้าแล้วไปชนคนตายอยงเนี้ยมันจะจะเป็นบาปกับเราถึงแม้ว่าจะไม่มีเจตนาก็ตามเพราะมันก็เป็นการฆ่าอยู่ดีเพียงแต่ว่ามีเวรมีกรรมต่อกันั้ยคงจะไม่มีเพราะเขาก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขา เราก็ไม่มีเจตนาตั้งใจไม่ไม่มีความโกรธเกลียดเขาเขาก็ไม่มีความโกรธเกลียดเรามันก็ไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันแต่ผิดศีลไม่ผิดอย่างแน่นอนเพราะเกิดการฆ่าขึ้นมาแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณนลาวดีนะครับอานิสงส์ของการไถโคกระบือคืออะไร ก็เป็นการาถ่ายชีวิตของผู้อื่นโอกาสหน้าถ้าเราไปเกิดเป็นโครกระบือก็อาจจะมีคนมาถ่ายชีวิตเราต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณไซยานะครับเอาชนะใจตัวเองนอกจากความเพียรแล้วต้องอาศัยหลักธรรมข้อไหนอีกครับก็สติสมาธิปัญญาเนยต้องเพียรสร้างสติ เพียงนั่งสมาธิแล้วก็เพียงเจริญปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถที่จะชนะตนเองได้ชนะความอยากชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลงได้คำถามข้อต่อไปจากคุณเหมียวนะครับโดยส่วนใหญ่นักปฏิบัติธรรมบอกว่าที่สุดแห่งธรรม คือวางและว่างแต่ผมว่าไม่ใช่มันต้องทำลายขุดลากถอนโคนไม่งั้นจะเป็นหินทับยญ้าหรือตะกอนนอนก้นวิธีการทำลายอาวิชาและวิชาคือจุดต่อมผู้รู้โดยละเอียดทำเช่นไรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขอโอกาสครับ ก็อย่างที่ได้แสดงไว้ถ้าปล่อยวางแบบสมาธิมันก็ปล่อยวางชั่วคราวเวลาที่อยู่ในสมาธิมันก็ว่างก็วางแต่มันไม่ตายกิเลสตัณหาไม่ตายพอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็ออกมาแสดงตัวถ้าอยากจะทําลายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าปัญญานี้จะไปแก้ความหลง ความเห็นผิดเป็นชอบความไม่รู้ว่าปัญหาความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจอันนี้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะถอนรากถอนโคนได้อย่างเต็มที่ถึงจะปล่อยวางถึงจะว่างอย่างถทาวรนได้คำถามข้อต่อไปจากคุณวาราังกูลนะครับตัดกิเลสไม่ได้เพราะวนอยู่กับค า, ารวาท่านโปรดเสนอแนะสิ่งดีด ก็ไปบวซสิ <laughs> จบแล้วเหรอคำถามจากทาง a c e b o o k หมดแล้วครับแต่มีคำถามเพิ่มเติมครับพระอาจารย์เมื่อเช้าขณะบินทบาตนะครับแต่ได้ยินลุงที่ อ, อยู่ด้านหน้าเขาบอกว่าเวลาใส่บาตรพระเนี่ยให้ถอดรองเท้าอย่าให้อยู่สูงกว่าพระเพราะถ้าอยู่สูงกว่าพระเนี่ยจะไม่ได้บุญมากจะได้บุญไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ไมพออ่าไม่เท่าที่จะได้อย่างนี้ครับถูกต้องไหมครับพระอาจารย์คือบุญที่เราได้จากการให้นี้เท่าเดิมจะใส่รองเท้าหรือไม่ใส่รองเท้าแต่บุญที่เราจะได้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งคือสัมมาคารวะอันนี้ถ้าเรามีสัมมาคารวะเราก็จะได้บุญอีกอีกกระโทงหนึ่งคือเราต้อง คล้ายๆว่าการมีสัมมาคารวะนี่จะทําให้เราเป็นคนที่มีความสุขเพราะว่าเรามีความเคารพผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะมีความเอ็นดูกับเรามีความเมตตากับเราถ้าเราไม่มีสัมมาคารวะเป็นคนที่ไม่รู้ที่สูงที่ต่ําก็มักจะเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีคนที่เขาอยากที่จะ สนับสนุนไม่มีใครอยากจะเมตตาเอื้อเฟื้อดูแลเราเห็นการที่พระเวลาใส่บาตรต้องถอดรองท่าเพราะทางสมัยโบราณก็ถือว่าพระต้องอยู่ที่สูงกับผู้ผู้คารวาะคารวะต้องมีความอ่อนน้อมต้องยกย่องพระเพราะว่าพระเป็นผู้ให้ความรู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราต้องไม่ ตีตนเสมอท่านได้ ว, ว่าสูงกว่าท่านเพราะว่ามันจะเป็นกิเลสนี่ก็คือบุญเอ ก, กทงหนึ่งบุญที่ให้จากที่ได้จากการใส่บาตรนี้เท่ากันจะใส่รองเท้าหรือไม่ใส่รองเท้าก็เท่ากันแต่บุญอีกข้อหนึ่งก็คือความมีสัมมาคารวะนี้จะไม่ได้อาจจะมีการถือเนื้อถือตัวยังถือว่าตนเองสูงยัง มันยังเรียกว่ารองเท้ายังไม่อยากให้เท้าของตนสปกปรกหลวงตาท่านเคยพูดเคยเดินบินธบารตามท่านเวลาคนใส่รองเท้านี้ท่านบอกว่าตีนมันล้างง่ายนยะแต่ใจมันล้างยากเข้าใจมเคยเคยเห็นรูปหนึ่งครับพระอาจารย์เป็นรูปที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนีเนี่ยครับก้มลงกราบาหลวงตาโดยที่ไม่มีอัสนะหรือพรมรองรับเลยโดยที่ท่านให้เหตุผลว่าพระระดับเนี่ยไม่ต้องมีอะไรรองรับกราบได้กลาบได้เลยอลย่างี้ครับอาจารคือท่านมีความเคารพอย่างสูงท่านไม่ถือเนือ้อถือตัวว่าท่านเป็นพระราชาเป็นพระราชินีท่านถือว่าท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาเาคารพครูบาอาจารย์ ความเคารพครูบาอาจารย์นี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าครูบาอาจารย์จะสั่งจะสอนเราได้ก็ต่อเมื่อเราให้ความเคารพ ถ, ถ้าเราไม่ให้ความเคารพก็แสดงว่าเราไม่ให้ความเชื่อฟังเมื่อเราไม่มีความเชื่อฟังสั่งสอนไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นครูบาอาจารย์จะดูคนเวลาจะสั่งสอนใครนี้จะดูกิริยาการของคนที่มีรับมารับการศึกษาว่ามาแบบไหนะ ถ้ามาแบบสูงกว่าก็ถอยหรือบางทีมาสอนไม่ได้มารับคำสอนก็มีหรือเวลาสอนแล้วก็เถียงกับเถียงกับถ้าอย่างนี้ก็สอนไปก็เปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับนิทานโพธิลโพธิล ท, ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วที่ไปขอสัมมาเนรให้เป็นอาจารย์ พระโพธิรันนี่มีพรรษาต้องสามสี่สิบพรรษาสา ม, มนเณรนี้บวชได้ไม่กี่ยังยังไม่ได้เป็นพระเลยยังไม่มีพรรษาเลยแต่สา ม, มนเณรนี้เป็นพระอรหรันต์มนุษย์พระอรหันต์แล้วก็ไปขอศึกษาเพราะว่าพระอรหันต์รูปอื่นไม่ยอมสอนเหลือแต่เนนองค์เดียวนี้แต่ก็อยากจะยอบอยากจะเรียนจากเนงยอมรับ เนเนเป็นอาจารย์ยอมอุ ป, ปถัมภ์เนนทุกอย่างล้างบานให้ก่าถูสาละกาถูกุฏิให้ซักจีวรให้นับใช้ทำตามคำสั่งทุกอย่างจนเนนเห็นว่าเป็นคนที่มีความเชื่อฟังมีความเคารพจึงได้สอนธรรมะให้พอสอนไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์ขึ้นมานี่คือความสำคัญเรื่องของการมีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้มากกว่าเราถ้าเราอยากจะได้ความรู้เราต้องแสดงเจตนาของเราว่าเราพร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนของท่านเข้าใจนะมีมีอะไรอีกไหม เทก็ไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> นึกไม่ออกพะอา่าร ค, ครับวันที่ยี่สิบ้าเนี่ยเริ่มงานกี่โมงครับงานกระถิน่ น, น, นะครับเก้าโมงครึเก้ามงนะครับเก้าโมงครึ่ ง, งตักวันนี้แล้วอยู่ ว, วันนี้ตักก่อนวันหนึ่งโดยธรรมเนียมก็จะตักวันแรมหนึ่งคำแตเนื่องจากวัดยานเป็นวัดที่มีคนรู้จักเยอะ แล้วคนเขามีภาระที่จะต้องไปตักที่วัดใกล้บ้านด้วยเข้าเลยขอให้จัดวันก่อนหนึ่งวันเพื่อจะได้มาใส่บาตรที่วัดยานก่อนแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะได้ไปใส่บาตรตามวัดใกล้บ้านต่อไปเคยเคยลองจัดวันพร้อมๆกันแล้เขาบ่นกันว่านักพี่เสียดายน้องไม่รู้จั <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนดี เพราะว่าชาวบ้านเขาก็มีความผูกพันกับวัดใกล้บ้านเพราะว่าเวลาทําศพทําอะไรก็ต้องทําอยู่ที่วัดใกล้บ้านก็เลยต้องต้องไปสนับสนุนวัดที่อยู่ใกล้บ้านด้วยแต่อยากจะมาใส่ที่นี่เพราะเห็นว่าคนมากันเยอะบรรยากาศของวัดยาเนี่มันอมันหายากมันกว้างใหญ่วัดมันกว้างใหญ่ไพศาล เมื่อเช้านี้ทั้งแถวเดินบรรเกลลอยนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเชิงเชิงบันไดมณดมานี่ถึงหน้าศาลามไม่ขาดเลยธรรมดานี่มักจะขาดพอดีวันนี้เป็นวันเสาร์มั้งถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนหยุดงานกันก็เลยจะมากันได้ถ้าตรงกับวันธรรมดานี้บางทีพอพ้นเดินมาจากมนดบได้ประมาณสักสองสามร้อยเมตรก็จะหมดละ แล้วก็จะมีประปายมาจนถึงใกล้ๆบริเวณศาลาถึงจะเริ่มมีคนเยอะนีมีสองแต่วันนี้แปลว่ายาวเหยียดเลยไม่ขาดตอนเลย อันนี้ก็เป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ทําทให้ได้ก็คือศึกษาให้รู้ว่าเวทนานี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้เราไปสั่งให้เขาหายไปไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาหายไปนี่เราจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ที่เกิดในใจที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจสี่ ทุกที่เกิดจากความอยากให้เวทนาหายไปความเจ็บหายไปวิธีที่จะทำให้เรานั่งต่อไปได้ก็คือเราต้องไม่ทให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเพราะที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บทางร่างกายแต่ความเจ็บทางใจหรือความอยากที่จะหนีจากความเจ็บทางร่างกายไปดังนั้นเราต้องหาอุบายที่จะสอนให้ใจเรา ไม่ไปเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปวิธีง่ายวิธีแรกก็คือการใช้อุบายของสมาธิหรือสติคือให้บริกรรมพุทโทธไปแบบให้ทียิบเลยอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วพอบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วใจจะไม่สามารถผลิตความอยากผลิตความทุกข์ขึ้นมาได้ความเจ็บของทางร่างกายก็จะรู้สึกว่าไม่ใหญ่โตมโหฬาร ก็จะอยู่กับเขาได้แล้วบางทีจิตสงบความเจ็บก็หายไปก็มีจิตก็สงบด้วยอันนี้เป็นอุบายของสมาธิแต่ต้องทำอย่างนี้ไปทุกครั้งเวลาเจอความเจ็บก็ต้องบริกรรมไปถึงจะรับความเจ็บได้อีกวิธีหนึ่งที่จะรับความเจ็บได้แบบไม่ต้องบริกรรมก็คือให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวทนานี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เหมือนกับเสียงที่เราได้ยินหรือเหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เช่นเวลาฝนตกเราจะไปสั่งให้ฝนหยุดเดี๋ยวนี้ก็สั่งไม่ได้ทต่ใดก็ให้เรามองว่าเวทนาความเจ็บนี้ก็เป็นเหมือนฝนตกฝน <c oughs> จะตกเราก็ต้องอยู่กับฝนไปเวทนาร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปถ้าตาาใดเราไม่มีความอยากให้เขาหาย เรา อ, อยากจะหนีจากเขาไปเราจะไม่เจ็บที่ใจพอใจเราไม่เจ็บแล้วความเจ็บที่ร่างกายนี้เป็นความเจ็บที่เรารับได้อยู่กับเขาได้อันนี้คือใช้อุบายของปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บพอเราจะรู้ว่าความเจ็บส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความเจ็บส่วนใหญ่อยู่ที่ใจที่เกิดจากความอยาก อยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บของร่างกายไปแต่มันจะมีถึงเวลาหนึ่งที่เราหนีมันไม่ได้เช่นตอนนั่งสมาธินี้เราหนีได้ขยับแข้งขยับขามันหายไปได้แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี่มันหนีมันไม่ได้หรือเวลาอดอาหารนี่มันหนีความหิวไม่ได้ต้องอยู่กับความหิวไม้ได้วิธีจะอยู่กับความหิวก็คือทําใจให้สงบอย่าไปอยากกิน พอไม่อยากกินแล้วมันก็จะไม่หิวที่ใจมันจะไม่ทุกข์ที่ใจความหิวที่ร่างกายก็จะทนได้จะไม่เดือจะไม่หนักหนาสาหัสแต่อย่างใดความหิวที่หนักหนาสาหัสก็คือความหิวในใจนี้พอคิดถึงขนมขน้าอะไรขึ้นมาน้ำลายไหลแล้วทั้ง ท, งที่เพิ่งกินเสร็จไปใหม่ๆเมื่อกี้นี้อันนี้เราต้องควบคุมให้ได้คือความอยากทางใจถ้าควบคุมความอยากทางใจได้แล้ว ความเจ็บความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเจ็บเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเพราะว่าเดินอนั่งนานๆหรือว่าเจ็บเพราะว่าอดอาหารอย่างนี้จะไม่เดือดร้อนจะอดได้อย่างสบายนักภาวนานี้บางทีอดทีละสามวันห้าวันได้อย่างสบายพระพุทธเจ้าอดได้ถึงสี่สิบเก้าวันเนีย่ยนะเพราะว่าใจท่านไม่หิวไงหิวแต่ที่ร่างกาย ใจท่านสามารถควบคุมให้อยู่ในความสงบได้เพียงแต่ว่าถ้าไม่สามารถทำลายความอยากได้ท่านจึงเลิกกนอาหารแล้วก็กลับมาเจริญวิปัสสนาต่อใช้ปัญญาแทนพอใช้ปัญญาแล้วทีนี้ก็สามารถาาไม่ทุกข์กับความหิวไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้เพราะได้พบต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วว่าอยู่ที่ความอยากนี่เองอันนี้แหละเป็น เป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถที่จะดับความทุกข์ได้ทั้งหมดเพราะความทุกข์ทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของเราเนี่เอการใช้สติใช้สมาธินี้ไม่สามารถทำลายความอยากได้เพียงแต่รับเพียงแต่กดมันเอาไว้อย่างที่เมื่อกี้เขาพูดว่าเห็นทับยาเท่านั้นเองพอจากสมาธิมาพอคิดถึงขนมคิดถึงอาหารก็หิวขึ้นมาทันที ถ้าอยากจะทำลายความหิวที่เกิดจากความอยากรับประทานอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากเราอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานนึกถึงเวลาที่มันเข้าไปในปากแล้วมันเคี้ยวแล้วผสมกับน้ำลายลองคายมันออกมาใส่จานดูซิว่าแล้วตักก็ไปกินใหม่ได้เปล่าถ้าเห็นภาพอย่างนั้นแล้วก็ไม่หิวแล้วจะไม่อยากกินเลความอยากก็จะหายไป วิธีที่คนที่ต้องการลดน้าหนักดีที่สุดก็คือวิธีนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเต้นแอโรบิกไม่ต้องไปขึ้นนัดแท้เสียเงินเสียทองเวลาหิวก็นึกถึงอาหารที่มันอยู่ในปากหรือเวลาที่อาเจียนออกมาจากในท้องมันเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่หิวที่มันหิวเพราะไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานนู่นเวลาที่ก็ถ่ายรูปใส่ไว้ในเมนูเห็นแล้วก็หอหิวไปหมดเลย นี่คือการใช้ปัญญาดับความหิวอาหารได้อย่างท้าว อ, อนเลยทุกครั้งที่หิวก็คิดถึงอาหารที่อยู่ในปา่าที่เคี้ยวผสมกับน้ำลายแล้ว อ, อยู่ในท้องแล้วเนี่ยมันจะไม่หิ ว, วที่กินไม่ลงพระอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องการมีสัมมาคาวะเนี่ยครับถ้าผู้ที่มาทำบุญหรือเข้าหาครูบราอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง ชราหรือมีโรคประจำตัวอามพลึกอามา า, ม า, าต่างๆไม่สามารถกราบไม่สามารถถอดรองเท้าไม่สามารถทำแบบที่เขาทำทากันได้เนี่ยครับแต่ว่าจิตใจเขาไม่เคยลบหลู่เลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการไม่มีสัมมาคารวะหรือไม่ครับไม่ใช่เหรอเพราะว่าเขาทาไม่ได้ร่างกายไม่เอื้อมหน่วยใจมีสัมมาคารวะอยู่ผู้ที่มีสัมมาคารวะที่แท้จริงก็คือใจนี่แต่ผู้ที่ ร่างกายมีคารวะแต่ใจไม่คารวะนี้ก็ยังถือว่าไม่มีคารวะอยู่ดีคือทำแบบฝืนๆขัดๆไปไม่อยากจะทำแต่ต้องทำเพราะว่ากลัวจะโดนคนโดนคนอื่นเขาว่าทำเนิติเตียนอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นการเสียแซงไม่ได้ทำออกจากใจแล้วก็ผู้ที่ผิวที่รับการคารวะก็จะดูออกด้วยว่าทำแบบเสียแซงหรือทาแบบทำทำอยาก ออกจากใจอย่างจริงๆริงจังๆถ้าไม่แน่บางทีท่านก็จะทดสอบดูมีวิธีทดสอบดูถ้ากราบเราก็เดินหนีไปเลยดูซิว่าจะทำยังไงยอย่างหลงตานี่บางทีจะไปกราบท่านท่านลุกเดินหนีเลย <c oughs> ดูซิว่าเราจะทำาไงจะโกรธหรือเปล่าถ้าเรามีความเคารพท่านเราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเราเสแสร้งเราก็จะขุดขึ้นมาทันทีแสดงกิริยาการขึ้นมาทันที ครไม่มาแล้ววันนี้การอุตสาหกรรมมันแล้วยังมันโลกหนีเลยคูบาอาจารย์ท่านในวิธีดัที่เลสคนเยอะแยะไม่หมดนนเวลาเข้าหาครูบาอาจารย์นี่ต้องใจเด็ดจริงๆถึงจะเข้าถึงอาจารย์ไม่เด็ดนี้เข้าไม่ถึงเพราะท่านจะมีการทดสอบต่างๆนานา พรท่านเธอถูกทดสอบมาแล้วก่อนท่านก็เคยผ่านอย่างนี้มาก่อนท่านเวลาก็หาครูบาอาจารย์ท่านก็เจออย่างนี้มาก่อนครูบาอาจารย์แต่ลอาท่านก็จะทดสอบความจริงใจของเราว่าจริงหรือเปล่าเอขาลบจริงหรือเปล่าพอท่านผ่านมาแล้วท่านก็รู้วิธีจะทดสอบพวกเรามีในพระไตรปิฎกท่านมี มีข้อหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ว่าสมมุติว่าเราเราไปกราบกูบาจารย์องนี้แล้วเรามีความเคารพเราอยากจะศึกษากับท่านแต่ถ้าท่านขับไล่สายแต่ถ้าท่านทําท่าขับไล่สายส่งเราเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจทำเป็นหูทวนนมทําป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่ไปเจอหน้าทีไรท่านจะด่าจะไล่ก็ปล่อยให้ด่าไปเราก็อยู่ของเราไป อันนี้แหละคือการทดสอบใจกันข่าดนี้ไม่ใช่ทาเป็นคนหน้าบางพอท่านพูดไล่ปับ๊บเสียใจไปเลยเปิดแล้วไม่กลับเลยแสดงว่าใจไม่ถึงคนที่ใจถึงนี่จะต้องหน้าด้านพูดง่ายแต่ด้านแบบด้านเพื่อความดีไม่ใช่ด้านเพื่อความชั่ออย่างนี้ดี ครูบาอาจารย์จะต้องทดสอบยังสา ม, มเณรทดสอบพระเถระเนี่ยหลอกให้ลงโดยโดยลงไปในน้าให้ประหยิบของพอลงไปครึ่งทางตัวเปียกแล้วก็เปลี่ยนใจก็ไม่เอาละไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่ต้องไปหยิบละเนี่ยจะดูกิริยาอาการว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าท่านก็เฉยท่านจะไม่แสดงอาการโกรธหรือไม่เขารบเลยนี่แหละคือวิธีทดสอบของครูบาอาจารย์ ยันนุเราอย่าอย่าไปถือสาท่านนะเวลาที่ท่านแสดงกิริยาการไรต่างๆออกมาเป็นการทดสอบจิตใจของเราถ้าเราเชื่อว่าท่านามีสิ่งที่ดีให้กับเราที่จะสอนธรรมะให้กับเราได้เราจะได้รับประโยชน์จากท่านเราก็ต้องมีความอดทนเป็นการทดสอบความอดทนของเรา เพราะว่าการนั่งสมาธิที่จะผ่าความเจ็บไปได้นี้ถ้าไม่มีความอดทนที่นั่งไม่ได้พอเจ็บเดียวๆก็จะไม่มีกําลังที่จะพุโทโธแล้วสติแตกเลยพุโทโธก็ไม่ออกพิจารณาก็พิจารณาไม่ได้แต่ถ้ามีความอดทนแล้วก็จะพร้อมที่จะสามารถที่จะบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปจนผ่านความเจ็บนั้นไปได้เนี่ยขันติ ขันติท่านว่าเป็นธรรมที่เป็นธรรมเป็นตาปะคือเป็นไฟแผดเผากิเลสขันติตะโปติติขาเ น, นี่คือผู้ที่จะทําลายกิเลสต่อสู้กับกิเลสเนี่ยจะต้องมีขันติมีความอดทนเป็นขันติบารามีนอกจากอธิฐานบารามีสัจจะบารามีอุเบกอวิทยะบารามีแล้วก็ต้องมีขันติเนี่ย บารมีสี่ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราไปสู่การปฏิบัติได้ถ้าเราไม่มีอธิษฐานไม่มีความตั้งใจแน่วแน่สัจจะคือความแน่วแน่วิริยะคือความภาคเพียงคันติคือความอดทนเราจะไม่สามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้แต่ถ้าเรามีบารมีทั้งสี่ข้อนี้แล้วเราสามารถดุยได้เหมือนรถ เ้าเรียกอะไรรสะเทินน้สะเทินบกเลยขึ้นเขาลงห้วยได้ผ่านทุกเหตุการณ์ได้อย่างสบายยิ่งถ้าเราอยากจะไปทางนี้เราต้องดูตรวจตาดูว่าเรามีความตั้งใจหรือไม่เรามีสัจจะความแน่วแน่หรือไม่เรามีความขยันหรือไม่เรามีความอดทนหรือไม่ถ้าไม่มีสักข้อก็หาหาหาหมอหนาเสือดีกว่า คือเนเรืนสิ่งที่เอ่ยทำอยู่นะคะแล้วก็เาเปนก็จะบอกว่าเราคือบริกรรมอะไรก็ได้เป้าหมายของการบริกรรมเพื่อดึงใจให้เราออกจากความเจ็บไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บนั้นแต่ถ้านั่งเจ็บเนอะเจ็บเนาะมันก็ยิ่งดูความเจ็บใหญ่ยิ่งดูความเจ็บมันก็ยิ่งเจ็บใหญ่เพราะใจเรามันมีความอยากให้มันหายอยากให้มันไม่เจ็บอยู่แล้วนั้นให้เราเบี่ยงเบนความคิดอย่าไปคิดถึงความเจ็บเลย เช่สนสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสหลังสัมมาสวัชขาโตมันก็จะได้ไม่มาคิดถึงความเจ็บแล้วมันจะได้ไม่เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่เราไม่ได้มาแก้ความเจ็บของร่างกายแต่เรามาแก้ความอยากไม่ให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเราบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์ไปนี่มันก็จะไม่มีโอกาสที่จะอยากให้ความเจ็บหายไปได้ พอไม่มีความอยากมันก็จะสงบมันก็จะไม่ทุกข์ทางใจพอใจไม่ทุกข์แล้วความเจ็บทางร่างกายก็นิดเดียวเข้าใจมั้ยฉะนั้นจะใช้การบริกรรมอะไรก็ได้ข้อสําคัญอย่าไปคิดอย่าไปสนใจกับความเจ็บในตอนนั้นอย่าไปรับรู้มันถ้าไปรับรู้มันไปมันจะเกิดความอยากอยากจะให้มันหายใช่เวลาเรานั่งดูหนังทำไมนั่งดูได้ทั้งคืนเนะี่ นั่งสมาธิแค่สิบห้าทีก็เจ็บล <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> อืะเพราะเรามีอะไรให้เดาดูใช่ไหมพอดูมันก็เพลินนั่งเล่นไพ่เนี่นั่งเล่นได้ทั้งคืนนะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> พอนั่งอยู่เฉยๆนี่เดี๋ยวๆก็เจ็บละห้านาทีสิบนาทีก็เจ็บขึ้นมาดังนั้นมันอยู่ที่จะว่าใจของเราเพลิดเพลินกับอะไรหรือเปล่าให้เราเพลิดเพลินกับการบริเลนาไปแล้วมันจะไม่เจ็บ ถ้าเรานั่งเริ่มต้นนั่งแล้วเราบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องมันจะไม่ผ่านความเจ็บมันจะเข้าสู่ความสงบเลยที่มันไปเจอความเจ็บก็เพราะว่ามันไม่บริกรรมอย่างต่อเนื่องบริกรรมด้วยสองคำก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วทัดพักพอร่างกายเริ่มรู้สึกเจ็บปั๊บมันก็ได้เอาแว่นขยายมาขยายให้มันเจ็บมากกว่านั้นอีกด้วยด้วยความอยากให้มันหายเจ็บด้วยอยากจะเลิกเพราะยิ่งอยากจะเลิกนั่งมันยิ่งไปกันใหญ่เลยมันยิ่งทนนั่งต่อไปไม่ได้ ได้ไหมงั้นจะใช้การคําบริการคําไหนก็ได้ก็สําคัญอย่าให้เราไปสนใจกับความเจ็บที่กําลังเกิดขึ้นเหมือนกับเรานั่งดูหนังเนี่ยเราไม่สนใจมันเจ็บตรงนั่งคันตรงนี้มันก็ไม่สนใจมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจเราจดจ่ออ ย, อยู่กับภาพยนตร์ที่เรากําลังดูอยู่ เราไปทำดูนะแล้วมีอะไรมาเล่าให้ฟังกันต่อวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในทํายิ่งขึ้นไปเถิด ใครที่ต้องการชมบรรยากาศของเมื่อเช้านี้เข้าไปดูได้นะครับตักปาเตโวใน Facebook นะครับลงไปตั้งแต่10บโมแล้วครับมีคนติดตามเยอะนะห <c oughs> 6 0 0 0คนก็มีหมดอยู่ที่ว่าในในไหนได้เปนะ็นโดดราง เขาาดว่าร้านบ้อกว่าจะไม่อ่วี่ซไม่ใเวลาเดี๋ยวไปดูในเฟซุ๊กแทนไปร่วมานู่นนาได้บนอตาย บางทีเดนดที่้วมาวันจักรพรรดิโว